คณะสัตายาติโยมที่ถวายองค์หลวงตาองค์หลวงตาพวกเราท่านอาพาธในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดจะปฏิบัติเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกษุขให้ฮนะอง ห, หลวงตาของเราเนี่เป็นท่านอาพาธและก็หลวงตาของเราเป็นพระเช่นไรนะเพราะนั้นพวกเราทําบุญกับองค์หลวงตาหลวงพ่อเองบอกว่าไม่ ไม่ผิดหวังหวานพืชลงเนื้อนาที่ดีและก็พร้อมกันนะวันนี้นะวันนี้เนี่ยวันที่7มกราคมพุทธศักราช2554คณะสงฆ์และคณะสัตยาิโยมวัดป่านาคำน้อยออขอน้อมถวายปัจจัยองค์หลวงตามหาบวญยน้ัสปันโนจำนวนเงิน 400,000 บาทนี่นะ 400,000 บาท แต่ไม่ใช่เงินหลวงพ่อนะเป็นเงินของคณะสัตย า, าติรมหลวงพ่อเป็นผู้นำหลวงพ่อมาถวายองค์หลวงตาสุดแท้เลอองค์องค์หลวงตาจะใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวนี้กำลังทำอะไรที่พักของหลวงตาที่อะไรที่ปลอดเชื้อกำลังทำห้องปลอดเชื้ออยู่ก็ต้องไ้ใช้เงินเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเอามาถวายสุดแท้แต่คณะกรรมการหรือว่าผู้ที่จะใช้จ่ายอย่างไรก็ ใช้ใจ่ายตามเรียว่าให้เกิดประโยชน์กับองค์หลวงตาวัดทําบุญกับองค์หลวงตาน่านี่ยที่หลวงพ่อถวายกับในนามคณะสงฆ์คณะสัตยาธิโจมจากวัดปานาคาน้อยเป็นเงินส0 0 0สนบาทบริจาคผ่านหลวงปู่ลีเหมือนกันนะหลวงพ่อบริจาคผ่านหลวงปู่ลีหลวงปู่ลีถวายหลวงตาอีกทีนึงนั่นนะ พอหลวงตาลงมารับไม่ได้ในช่วงนี้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนะหลวงพ่อเป็นบุรุษไปชะนีนะ เ, เป็นบุรุษไปชะนีจากนั้นหลวงพ่อก็จะนําถวายไปหลวงปู่ลีอีกที่นึง่งนะบุรุษไปชะนีจะนําไปถวายหลวงปู่หลีหลวงปู่หลีถวายหลวงตาอีกที่นึง่งนฮะเราอาจจะบุญหลายๆนะขณะนี้ ทางวัดป่าบ้านตาดของเราตั้งแต่หลวงตากลับจากกรุงเทพตั้งแต่วันที่วันที่สนะหลวงตากลับมาวันที่สพอลงเครื่องบินที่สนามบินอุดรก็ได้นำองค์หลวงตามาพักกุฏิโชกคาวที่พักโชกคาวข้างนอกวัดใกล้ๆกุฏิหลวงปู่ลีเพราะเหตุไรเพราะกุฏิของหลวงตาเนี่ยได้สั่งมาจากกรุงเทพ บอกว่าเมื่อลงตากลับขึ้นไปแล้วควรจะทำเป็นห้องปลอดเชื้อในกุฏิของลงตาแต่นี้มันตรงกับปีใหม่ฮะเพราะวันที่สาเ่เป็นในช่วงที่ยังเป็นวันหยุดอยู่แต่ตามไม่จริงเราก็สั่งก่อนหน้านี้แ ล, ล้วล่ะพวกท่านอาจารย์สุดใจสั่งมาก่อนหน้านี้แล้วให้ทางวัดเตรียมสถานที่แล้วก็ทำห้องปลอดเชื้อไว้ที่กุฏิลงตาแต่เป็นเป็นช่วงปีใหม่ ร้านทั้งหลายก็ยังไม่เปิดและก็พนักงานก็ยังไม่ทำงานผู้ที่จะสั่งอุปกรณ์เข้ามาทำก็สั่งไม่ได้เพราะว่าร่วงร้านยังไม่เปิดและก็พนักงานเขาก็ยังไม่มาทำงานหลวงตาก็ขึ้นมาวันที่สามพอดีพอวันที่สามถ้าจะเอาหลวงตาเข้ามาพักที่กุฏิของท่านแล้วก็มีการทำงาน ก่าที่จะทำเสร็จได้ก็ใช้เวลาพอสมควรและอุปกรณ์ในการที่จะทำห้องนี้ก็ไม่ใช่ของออทำได้ง่ายก็ทำได้ยากอีกเหมือนกันเพราะนั้นจึงกราบพระรัตนาองค์หลวงตาไปพักข้างนอกวัดนะเพราะนั้นกระทายญาติโยมบางคนเอา้าทำไมไม่เอาหลวงตาเข้าอยู่ในวัดทำไมมาพักอยู่อย่างนี้นะนี่แหละเหตุผลนะและเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าวันนี้จะเสร็จห้องห้องห้องภายนอกนี่จะเสร็จแต่ว่า ทางโรงพยาบาลจะสั่งอุปกรณ์จากกรุงเทพขึ้นมาใช้ในห้องนี้ก็ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าประมาณวันอาทิตย์เครื่องอุปกรณ์ทุกอย่างก็น่าจะพร้อมวันอาทิตย์น่าจะพร้อมอุปกรณ์ใช้ในห้องขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นขอหลวงพ่อขอแจ้งบอกกล่าวให้คณะสัตยาญาติโยมทุกๆท่านที่อยู่ทางใกล้ทางไกลได้รับทราบ ช่วงนี้กำลังทำห้องปอดปอดเชื้ออยู่ในเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะนิ ม, มนต์องค์หลวงตาเข้ามาแ่พักธิกุฏิของท่านเหมือนแต่ก่อนแล้วก็องค์หลวงตาพูดที่คณะทา ญ, ญาติโยมที่อยู่ทางไกลโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เฝ้าคอยหน้าวิทยุโทรทัศน์อยู่ก็อยากจะรู้ว่าโอ้หลวงตาเนี่ยเป็นยังไงเนาะ แต่ละวันไม่ว่าจตศรัทธา ญ, ญาติโยมแต่หลวงพ่ออินเนี่ยกลับไปวัดสองคืนหลวงพ่อก็ยังโทรถามให้ลูกน้องโทรถามมาทางวัดป่าบ้านตาดเป็นระยะระยะวะคงลงตาเป็นยังไงหลวงพ่อเองก็อยากจะทราบเพราะนั้นหลวงพ่อจึงคิดว่าถ้าหากว่าอย่างหลวงพ่อพูดให้ฟังอย่างเนี้ยผู้ที่อยู่หน้าจอ โทรทัศน์หรือว่าวิทยุคงอยากจะฟังข่าวขาวขององค์หลวงตาของเราเป็นรายวันว่าวันนี้เป็นยังไงแต่ตามไม่จริงคณะแพทย์คณะหมอเขาก็ชี้แจงรายงานให้ฟังแต่เขาก็พูดเป็นตัววิ่งหรือว่าตัวสั้นๆแต่พวกเราก็คงจะไม่จุใจอยากจะฟังให้ยาวๆบ้างแต่ตามไม่จริงที่หลวงพ่อได้พูด อยู่ในขณะนี้แต่ถ้าหากว่าผู้เกี่ยวข้องกับเครื่องเสียงนะเกี่ยวกับเครื่องเสียงอยากจะตัดตอนหรือตัดตอ่อหรือตัดตอนของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่ขัดข้องโดยประการทั้งปวงนะอยากจะตัดออกไม่เอาออกเลยก็ได้และจะให้หลวงพ่อจะพูดให้คณะสัตย า, ญญาติโยานที่มาจังหันเนี่ยที่มาทําบุญในวันนี้ที่ซาลาหลังนี้น่ะหลวงพ่อก็จะแจ้งให้ทราบว่าผู้ใดให้ทราบแล้ว ไม่อยากจะฟังก็ลุกออกไปออกนอกศาลาก็ได้หลวงพ่อก็ไม่สงวนฤกสิติเหมือนกันเพราะนั้นผู้ที่อยากจะฟังก็ฟังแต่พวกท่านทั้งหลายลุกออกไปแล้วหลวงพ่อก็จะลุกเหมือนกันไม่รู้จะพูดให้ใครฟังใช่ไหมล่ะเ <c oughs> <c oughs> พาราะนเพราะนนขณะพวกเรานั่งฟังอยู่อย่างนี้หลวงพ่อก็คงจะพูดให้ฟังว่าอาการลงตาเป็นยังไงเมื่อตั้งแต่วันที่ วันที่วันที่ห้ามาเนี่ยที่ห้าที่หที่เจดเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่7ดแล้วนะแต่หลวงพ่อทราบว่าลวงตามีอาียรเป็นบางครั้งในช่วงล่างๆแล้วก็มีไอมีไอบ้างเป็นบางครั้งแต่เมื่อวานนี่มีถ่ายสองครั้งแต่อาการลวงตาเนี่ยอ่อนเพลียเหนื่อยแต่เมื่อวันพระที่ผ่านมาเนี่ยวงตา ย, ยังนั่งรถก๊อบนะ นั่งรถก็อปเขามาข้างในแล้วก็ไปดูกุฏิของท่านด้วยนะไปดูกุฏิของท่านแต่แต่พระเขากำลังทำงานอยู่ท่านก็ไปนั่งดูเสียแล้วท่านก็ออกมากับกุฏิของท่านกันแต่ท่านมาจากกรุงเทพตั้งแต่วันที่ย7เเน่ยท่านก็มาท่านก็มาดูวันที่วันที่สี่มั้งวันที่สี่วันพระเนี่ยแทนท่านนั่งเข้าไปดูที่ กุติของของหลวงตานะีจากนั้นท่านก็ไม่ได้ไปไม่ได้ออกมาอีกนะแต่ว่าอาการเป็นยังไงนะแต่หลวงพ่อได้ถามอาการของหลวงตารู้สึกว่าสดใสดีอยู่แล้วก็พูดได้พูดได้ชัดถอยชัดคำแต่ก็มีไอเกียนและก็มีมีการถ่ายสองครั้งนะเมื่อวานนี้แต่เมื่อวาน กันที่จะแจ้งข่าวให้ทราบก็คือคณะแพทย์ประชุมกันเมื่อตอนบ่ายเมื่อบ่ายวันที่หกที่ผ่านมาเนี่ยบ่ายสองโมงมีคณะแพทย์มาจากศิริราชทั้งหมดมีอยู่6ท่านมีอาจารย์จองจับเป็ น, เ ป, นเป็นประธานแล้วก็อาจารย์มสุชชัยแล้วก็มีคณะทีมแพทย์จากศิริราชมาเป็นทีมใหญ่ที่เป็นผู้ติดตามเขาคงจะเป็นแพทย์ของ ฟ้าหญิงเนี่ยเป็นผู้เป็นผู้ติดตามหรือว่าให้ความดูแลท่านพ่อของท่านคือองค์ลงตาของเราเนาะฟ้าหญิงท่านก็เป็นถือว่าเป็นลูกของหลวงตาเนีเพราะนั้นท่านก็ได้ส่งคณะแพทย์มาจากสิทธิราชมาเป็นทีมก็มาเพื่อติดตามในอาการป่วยของลงตาเมื่อวานก็ได้เชิญแพทย์จากสิทธิจากศรีนครินทั้งหมด8 แปดท่านเนี่ยที่หลวงพ่อได้นัดนัตไว้นะแต่ทางโรงพยาบาลของเราทางศูนย์พยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ของเราเนี่ยรวมทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลสิบกว่าท่านนะที่มาร่วมไปชุมกันเมื่อวานแต่ก็ได้ข้อสรุปนะและก็เมื่อวานมีพิเศษก็คือหมอมาจากประเทศจีนอีกนะเออมาจากประเทศจีนหมอจีนจากประเทศจีนทั้งสามนะสามสามคนนะสามคนสามท่านนะ มีด็มีดรหลิวด็อร์หลิวโรงพยาบาลฟูด้าเมืองกวางเจาฮะกวางเจากลางจั่วเนี่ยเป็นประเทศจีนนะ่ะได้มาดูแลได้มาตรวจสุขภาพหลวงตาแต่ว่าหมอจีนกับหมอโรงพยาบาลของเราเนี่ยพูดไปแนวแถวเดียวกันที่หลวงพ่อได้ฟังเมื่อวานเนี่ยพูดไปแนวแถวเดียวกันฮะคือโรงพยาบาลของเราเนี่ย พูดแต่หมอจีนพูดภาษาไทยไม่ได้นะแต่พูดก็มีล่ามแปลออกมาเลยก็เหมือนกันเปียบ เ, เหมือนกันเลยว่างั้นหลวงพ่อจึงมั่นใจว่าการดูแลของหลวงตาของเราเนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องอมั่นใจว่าไม่ขาดตกบกพร่องในคณะแพทย์ที่รักษาองค์หลวงตาเพราะฉะนั้นขอให้คณะศทาญาตทยมทุกหมู่ทุกเหล่าอ ว่าการรักษาสุขภาพลุงตานั้นออทําเต็มที่มากน้อยแค่ไหนพูดได้เลยว่าเต็มที่ออในยุคปัจจุบันนีออ่ไม่มีอะไรขาดตัวบวกพ้องแต่ส่วนที่อะไรจะเกิดขึ้นนั้นมันก็สุดวิสัยเพราะสิ่งสุดที่วิสัยมันอาจจะมออีกับทุกขนทุกแห่งะฉะนั้นเมื่อวานก็ได้ประชุมกันตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงบ่าย5้าโมงนะ เออใช้เวลาประชุมกันนานพร้อมทุกคนคือพูดในแนวการรักษาจะรักษายังไงเนี่ยนักฝ่ายแพทย์ปัจจุบันจากนั้นกับแพทย์แผนจีนแพทย์จีนไม่ใช่จีนกับปัจจุบันเหมือนกันนะเออเป็นแพทย์ที่มาปัจจุบันจากนั้นกับแพทย์แพทย์ทางเลือกแต่ว่าถึงยังไงทั้งแพทย์ทางเลือกทั้งแพทย์จีนทั้งแพทย์ไทยแพทย์หลวงของเราก็พยายามออกขึ้นมามาปรึกษากัน สรุปแล้วก็คือให้มาบนดินว่า ง, งั้นจ้ะว่าการรักษาของเราเนี่ยจะรักษาอย่างไงกันเมื่อวานนี้ได้ปรึกษากันกว้างขวางทั้งฝ่ายพระก็ทั้งหมดก็คือเป็นยี่สองค์เหมือนกันทั้งฝ่ายพระผู้ใหญ่ก็คือเป็นเจ้าอวาดมาจากวัดต่างๆที่มามาร่วมกันฟังเมื่อวานนี้ฟังดูแล้วก็เป็นที่พอใจเป็นที่จุใจด้วยกันเพราะนั้น ขอแจ้งข่าวให้คณะสัตยาติโยมโลูกหลานทุกท่านหรือคณะสาาัตยาธิยมไม่ได้มาที่อยู่ทางไกลก็ขอให้ได้รับทราบตามนี้แหละอาการล้งตาเน่ทรงทรงอยู่แต่เหนื่อยสรุปแล้วก็คือท่านเหนื่อยท่านระบายท่ายสองครั้งสวดอาหารทางังเอาเข้าทางเส้นเลือดทั้งอาหารส า, สายเส้นเลือดแล้วก็ยาปฏิชูนาเน่ ที่ว่าคบคอดเมื่อวานนี้นะเออคบคอดเมื่อวานแต่ลำไส้สายที่เข้าไปในจมูกนั้นไม่มีแล้วเดียวนี่เออไม่มีแต่ลุงตากขาพักผ่อนตามอัธยาศัยแต่ก็อ่อนเพลียท่าก็ไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่ก็นอนนอ น, นอนพักผ่อนธรรมดาธรรมดานะอันนี้ก็คือเออตามอริยบทหรือว่าการพักผ่อนขององค์ลุงตานะแต่ทีนี้มา หลวงพ่อเองอยากจะพวกเราพี่น้องลูกศิษย์ขององค์หลวงตาทุกทุกท่านทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลอยู่นสถานที่ใดก็าตามนะหลวงพ่อจะจะขอร้องโดวยวันเน้นหนักเรื่องความรู้รักสามัคคีอย่างที่องค์ในหลวงที่ท่านพูดท่านตรัสเมื่อสองปีที่ผ่านมาหลวงพ่อนําคําว่ารู้รักสามัคคีเนี่ย อยากจะให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านมีความพร้อมเพียงสมัคคีคือมองกันในในแง่เหตุแง่ผลเียไปมองกันในแง่ร้ายการอยู่ด้วยกันธรรมชาติของมนุษย์มันมีหลายอย่างนะธรมธรมธรรมธรรมดาของมนุษย์มีธรรมชาติหลายหลายอย่าง อ, าอย่างที่ว่ า, าพระทิดมันก็เป็นธรรมชาติของมันพัะจัน ก็เป็นธรรมชาติของมัน เ, เราเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติเป็นธรมนธรมดาแต่ตามาจริงธรรมดาธรรมชาติบางอย่างนี้เราก็อ้อยอมรับไปได้แต่แต่ทำยังไงได้มันก็ต้องยอมรับฝึกฝนให้ยอมรับเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเรามีความแก่เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความจะพวกพ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้อันนี้ก็คือสรุปก็คือคือธรรมะดาธรรมดาธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายคนเราก็เหมือนกันนะเออบางคนก็ขี้โกรธเลยก็เป็นธรรมะดาเหมือนกันธรรมชาติบางคนก็ขี้โลบเลยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันบางคนก็ลืมหลงก็เป็นธรรมดาธรรมชาติอีกเหมือนกันถ้าว่าพวกเราให้มองดูทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแล้วนะ่ะเราก็จะไม่มองเห็นอืออันนี้คือธรรมดาของโลกอันนี้คือธรรมชาติของโลกมันต้องเป็นมาอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้เพรา ะ, ะนั้นคนโบราณเขาจึงทำคือว่าสอนเป็นเป็นแนวความคิดนะคนโบราณเขาสอนเป็นแนวความคิดให้เรว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงให้พวกเราทาใจคือบางสิ่งเออเรามีความตายก็คือธรรมชาติ คนเกิดมาแล้วก็ต้องตายไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่ายศถาบรรดาศักดิ์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติเพราะเหตุไรเพราะว่าเกิดแล้วจะไม่ให้ตายก็เป็นไปไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องถึงจุดจบแต่ว่าเราจะทําใจกับธรรมชาตินั้นได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นหน้าที่ของเราแหะที่แน่นนนเพราะนั้นคนโบราณเขาจึงสอนเป็น ลักษณะนิทานนิทานมันก็จะแต่แต น, นี้อันนี้ไม่ใช่นิทานมาเนี่ยพระไตรปิฎกนะ น, นี่นะเออเป็นนิทาน พ, นพื้นพื้นบ้านแต่กก็น่าคิดหลวงพ่อวะหลวงพ่อว่านะเออเป็นน่าคิดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะเล่าเป็นเป็นให้ฟังเพื่อจะได้พวกเราจะได้จําง่ายนะเออเป็นธรรมชาติทำยังไงถึงว่าธรรมชาตินะเออท่านเขายกขึ้นคนโบราณเขายกเป็นเป็นเรื่องราวขึ้นว่าเอสมัยหนึ่งเทว่านะเออ มีชื่อว่านายบุญมีนางนายบุญมีกับนางบุญมาคนสมัยก่อนเขาจะชื่อบุญบุญนนำหน้าเหมือนกันเถอะบุญน่คือความศกว้เงนเะนายบุญมีและก็นางบุญมาต่อมาก็แต่งงานกันทีนี้นายบุญนายบุญมีเนี่ยเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้รอบรู้ในหมู่บ้านต่อมาเขาก็เลยลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน พอต่อมาก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านพออดยชาวบ้านต่อมาอยู่ด้วย ก, กันก็เขาก็มีลูกสองคนลูกสาวสองคนผู้นายบุญมีเนี่ยผู้ใหญ่บุญมีเนี่ยกำนางบุญมาเนี่ยจากนั้นเขาก็เป็นที่เคารพปรักของหมู่บ้านว่าเป็นคนดีนะแต่พอต่อมาลูกสาวก็เป็นเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาแ ต, แต่แต่ละหมู่บ้านก็ต้องมีวัดละทีนมีวัดก็คือมีมีวัดคือมาแล้วก็ มีพระบวชในวัดพวกหนุ่มทั้งหลายในหมู่บ้านถ้าว่าเป็นหนุ่มก็บอกต้องบวชซะก่อนถ้าไม่บวชซะก่อนเพราว่าเป็นคนดิบนะถ้าบวชเขาก็บอกเขาเรียกว่าเป็นคนสุขคนได้ผ่านการศึกษาในยุคนั้นเป็นผู้มีศีล ม, มีธรรมเป็นผู้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักสิ่งควรไม่ควรต้องบวชซะก่อนจากนั้นเขาก็เลยให้ลูกหลานเขาไปบวชในวัดบางคนก็บวชช้าบางัง บวชนานบ้างบางคนก็บวชไม่ได้นานบ้างอันนี้ก็คือสุดแท้แต่ใครจะบวชแต่ทีนี้มีมีอาจารย์บุญเกิดเหมือนนเถอะนะนายบุญเกิดไปบวชพอไปบวชแล้วทีนี้ก็อยู่ได้นานอยู่ได้สามสีป่ปีจากนั้นก็เลยลาสิกขาพอลาศิกาขาเนี่ยถ้าว่าคนบวชนานเนี่ยเขาเรียกว่าอาจารย์นะเป็นนักปรารถนอาจารย์เป็นผู้นําชุมชน ในยุคสมัยนั้นเขาเรียกนักปรานอาจารย์าว่าอาจารย์แปลว่าเป็นอาจารย์เป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้ว่าพาไหว้พระสวดมนต์พาสมาทานศีลจากนั้นก็สู่ขวัญพวกสู่ขวัญพวกอะไรเนี่ยอันนี้คือพวกาจานย์ทั้งนั้นยุคสมัยนั้นแต่ถ้าว่าพวกบวชเข้ามาแล้วอยู่ไม่นานเนยอยู่ปีหนึ่งหรือสองสามเดือนเนี่ยเขาเรียกว่าทิศ ต, ตัวน่ กัวัดเทศเนี่ยคือบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเหมือนันแต่ เ, เป็นวัดเทศเนี่ยแต่ในเทศกับจานเนี่ยถ้าบวชออกมาสึกออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าเท็ดจานแต่นี่จานเนี่ยพอบวชได้สองสามสี่ปีสึกออกมาสึกออกมากล้เนี่ยไปรักชอบกับลูกผู้ใหญ่บ้านเหมือนกนแต่ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านลูกสาวผู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บุญมีเนี่ยก็เลยไปขอแต่งเฮ่เขาก็เลยให้แต่งพอต่อมาอีก ทิศทิศบุญบุญบุญชูเนี่ยทิศบุญชูเนี่ยซึกเอกก็เลยไปขอแต่งงานกับลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านอีกคนคนที่สองเลยผู้ใหญ่บ้านให้แต่งงานอีกแต่นี้นก็ผู้ใหญ่บ้านก็ดุกไดลกล้ลูกเขยทิศกับลูกเขยจานท่านนี้ลูกเขยทิศกับลูกเขยจานมาอยู่บ้านเดียวกันทั้งพ่อตาด้วยท่านนี้แปลว่าบ้านหลังนั้นมีมีอยู่สามคู่วะงั้นจ๊ะ แต่ที่ทางนางบุญมาเนี่ยเมียผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแม่พัญญาของผู้ใหญ่บ้านเอ้ถ้าจะเอาลูกเขยมาอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งสองครอบครัวเนี่ยใช่ถ้าอยู่ในขณะนี้ก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้าละ่ะเขามีลูกขึ้นมาละ่ะมันจะมันจะไม่ดีนะมันจะทะเลาะกันนะเพราะนั้นพวกเราควรจะ หาวิธีออกให้ผู้ใดผู้หนึ่งออกไปตั้งบ้านให้เขาซะแต่ว่าเราจะเอาใครล่ะอยู่กับเราเนี่ยเราจะเอาใครเอาเอ า, เอาเขยโตหรือเขยเล็กจะเอาเขยตายจะเอาเขยจานหรือเขยทิดอยู่กับเราเนี่ยสองตายยายก็นั่งปรึกษากันเป็นความลับว่าง้นเดน็กยายทำคนหรือจะเอาเขยทิดเขยทิดมังก็ดีนะบางคนชื่อชื่อดี แต่เขยจานมันก็ดีนะมันก็มีความรู้นะเขยจานเนี่ยแต่ตกลงกันไม่ได้ทั้งเขยทิดเขยจานเหมือนกันทางผู้ใหญ่บ้านนี่ก็บอกผู้ใหญ่บุญมีอ้าไม่เป็นไรหรอกอเดี๋ยวผมจะไปทดสอบดูก็แล้วกันเอาไปท ด, ทดสอบดูเขยลูกเขยใครจะมีความรู้มากกว่ากันใครจะมีไอคิว่างั้นเถอะไอคิ I Q e Q M Q วอควเอ็มคเนนเะเออ IQ คืออะไร IQ ก็คื อ, อมีความรู้เร็วความคิดเร็วอีคิวคื อ, อมีความรับผิดชอบอมีความมีความคิดแล้วก็มีความรู้เอ็มคิแปลว่ารับผิดชอบอแล้วผมจะไปทดลองดูแต่ตามไม่จริงในหลักของพุทธศาสนาว่าวิชาจรณะสัมปันโนวิชาคือความรู้นะ จารณะคือความประพฤต์นะประพฤติปฏิบัติชอบเดีนะ๋ยวิ ช, ชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติแต่ฝรั่งเขาบอกว่าไอคิวคือความคิดเฉลียวฉลาด EQ EQ วอีคิคือความรอบครอบคือความรับผิดชอบเอ็มคิคือความรับผิดชอ บ, นะอ บ, ชอบในหน้าที่การงานทีนะ่ที่แนวคิดดีแล้วนั้นนะแต่ในผู้ใหญ่ บ, บ้านก็เลยอยากจะเอาไข่เอาลูกเขยคนเล็ก ไปทดสอบดูก่อนนะไปทดสอบดูก่อนกับผู้ใหญ่บ้านกับพาลูกเขยไปแล้วนะั่นเขยทิดเนี่ยเดินออกไปทางนอกบ้านคือนอกบ้านเขาจะมีเขาจะมีบ้านหมู่บ้านนอกเขาจะมีผู้ที่จะไปเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูนะ่ะเขาจะไปอยู่นอกบ้านนะอยู่ริมอยู่ในชายในชายหมู่บ้านนะนะ่นแหะ ตอนี้ผู้ใหญ่บ้านก็พาลูกเขยคนเล็กไปเขยทิดนั่งนนะ่นเดินไปพอไปไปเห็นไปเห็นห่านใช่ไหมนะอมันก็ร้องอักวักวังพ่อตาก็เลยถามว่าทิดห่านนี่ทำไมทําไมถึงร้องเสียงดังเนี่ยนะทดลองไอคิวแล้วนะที่นี่นะเอเอเขาทองไอคิวเพราะว่าพ่อตกรเขาไม่มีก็ไม่มีข้อข้อเขียนใช่ไหมละ่ะอันนี้เขาก็ถทำทิดห่านทําไมร้องเสียงดัง ทิดก็ตอบว่าเพราะมันคอยาวพ่อไงเพราะมันค อ, อยาวพอ่ออืมใช่ได้ใช่ได้ทางลูกพ่อตาอือใช่ได้ใช่ได้แล้วก็เดินไปอีกทีนี่งไปไปเห็นกอไม้ไผ่ก่อไม้ไผ่พ่อตาก็ถามว่าทิดนีย่ยคือบัณฑิตตรงนี้นทิด ท, ทำไมหน่อหนอหน่อไผ่เนี่ยมันจึงพดขึ้นมาจากดินได้มันทําไมมันจึงออกมาจากดินได้หน่อไผ่เนี่ย ทางทิดก็บอกว่าเพราะมันปลายแหลมพ่อกันมันก็เลยซีไสคขึ้นมาได้ทางพ่อตาึใช้ได้ใช้ได้แล้วก็เดินไปอีกวันพ่อไปเห็นเป็ดเป็ดอยู่ในหนองมันอยู่ในคลองมันว่ายน้าหากินเหมือนกันพ่อตาเขาเลยถามทิดเป็ดทำไมจึงว่ายน้าได้ทางทิดก็บอกว่าเพราะมันมีขนพอกมันมีขนมันก็เลยมันก็เลยทำให้มันฝนฟูมันก็เลย ว่ายน้ำลอยน้ำได้เดีถ้ามันไม่มีขนนี่ก็มันกรจมน้ำเหมือนกันนะเออใช้ได้ใช่ได้แต่เ ด, ด, ด, ด็ก็ไปอีกนี่เดินไปไปเห็นเขาก็ลองทำทำแปลงผักงั้นเถะเออเขาปลูกผักเออบางทีเขาก็ทําแปลงบางทีก็กําลังวานอยู่บางทีก็มีผักกําลังขึ้นมาคือหลายๆแปลงนะอ่ะเอออันอันสั้นอันยาวผักนะ่ะพ่อตาก็เลยถามว่าทิศ ไอ้ผักผเนะี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพ่อตาถามนะผักเนะี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างไงลูกเขยก็บอกว่าพราะเขาหวานหวานลงไปในดินพอหวานเสร็จแล้วเขาก็ลดน้ําพอลดน้ําก็งอกเงยสิพ่อมันต้องอาศัยความชื้นมันจึงมันจึงงอกเงยเเเใช้ได้ <Okay. S 1> พอทีนี้ก็กลับมาทีไหนกลับมาสองสาวันกับพ่อตาก็พาลูกเขยจานออกไปอีกทีไหน พอไปเอ๊ไปทางเก่าแล้วไงนนไปก็ไปเห็นห่านร้องอยู่เหมือนกันมันร้องว๊าดว๊าดก็เลยถามว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ทำไมห่านจึงร้องเสียงดังอาจารย์บอกว่าธรรมชาติอาจารย์พระนะธรรมชาติของมันมันก็ต้องร้องอย่างนี้ละห่านแล้วไงเอ๊ธรรมชาติของมันมันต้องร้องอย่างนี้ทั้งพ่อตาบอกว่ามันธรรมชาติอะไรไม่รู้หรือมันคอยาว มันคอยาวมันก็ต้องร้องดังกันสิทีนี้ทางลูกเขยจานก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันไอพ่อตาเคยเห็นไหมเอื่องอ่อางคอมันสั้นๆทำไมมันร้องดังเอืองอ่างคอมันสั้นๆทำไมมันร้องดังดังกว่าห่านที่อีกเพราอนกันอันนั้นธรรมาชาติของมันเมอนันจะไปว่าคอสั้นคอยาวได้ยังไงนี่แหละคือคนเราเนี่ สรุปแล้วก็คืออย่าไปมองทางด้านเดียวงั้นให้มองหลายๆด้านเหมงอนกันเถอะเอีจานเนี่ยเขามองมุมมุมมุม ม, ม, มองหนึ่งนะแต่เขยที่จะบอกว่ามันคอยาวเท่านั้นกัจบเหมงอนกันเถอะแต่เขยจานเน่ยบอกว่าไม่เกี่ยวกันเนีต่อคอยาวก็คอสั้นมันร้องดังมันต่างกันแต่อึ่งอ่างคอสั้นๆก็กยังร้องดังพอตาเออเป็นความคิดที่ดีไวไปแปลกๆไปก็เลยพาไปอีกเถอะไปไปเห็นหน่อไม้เนยไปตรงที่ก่อน อาจารย์หน่อไม้ทําไมมันยังขึ้นมาจากดินได้อาจารย์ว่าธรรมชาติอาจารย์ว่าอาจารย์อาจารย์บอกว่าธรรมชาติแต่อาจารย์ธรรมชาติอะไรเออมันปลายมันแหลมนะมันก็พุดซีไซขึ้นมาจากแผ่นดินได้ไม่เกี่ยวกันอพ่อตาเคยเห็นไหมขอนไม้นะ่ะมันแข็งขนาดไหนแต่เห็ดกระด้างมันจะออกมาได้ไม่เห็นมันปลายแหลมสักหน่อยเห็ดกระด้างมันจะพุดขึ้นมาได้ เออเออตอนนี้พ่อตากันเลยเออใช่ถอนไม้ก็ยิงแข็งกว่าดิน เ, ดดานเนี่ยเห็ดกระด้างมั น, นยังเห็ดมันจะขึ้นออกมาได้ออกมาจากขอนไม้เออใช่เออจากนั้นก็ไปอีกทีนึ่งพอไปไปเห็นเป็ดงั้นเ่นเยเออจานทําไมเป็ดจึงลอยน้ําได้จานบอกว่าธรรมชาติจานว่านะธรรมชาติอะไรมันมีขนน่ะมันจึงลอยน้ํำได้อ้าว พ่อตาเคยเห็นมา่นอนไม้เนะ่ยไม่เห็นมันมีขนชักหน่อยมันก็นลอยน้ำมีมันยังลอยได้ไมเห็นมันมีขนชักหน่อยเลยทางพ่อตาเออใช่เออจางจางนั้นเดินไปอีกเลยไปไปูเป็นเห็นแปลงแปลงผักนะ่อไปเห็นแปลงผักท่านเลยเออเออจานทําไมผักมันจะเกิดขึ้นมาได้ไอจานเนี่ยถามลึกสามครั้งเหมือนเด็กถามเล่นใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าพ่อตาเนี่ย ทดลองไอคิวตัวเองใช่ไหมเพราะลูกเขยนึก็โมโหอะไรแบบนั้นเถอะมันถามอะไรเหมือนกับเหมือนกับเด็กถามเล่นผู้ใหญ่ไปด้วยกันถามจิกจกจกจกมาไอ้ลูกเขยนึก็โมโหอยู่ในใจอ่างั้นเถอะเนื้อจานทำไมผักนั้นไปจะเกิดขึ้นมาได้จานบ่ธรรมาชาติธรรมชาติของมันธรรมดาฝานบานลงเด่นรดน้ําอะไรมันก็ต้องขึ้นนั่นแหะธรรมชาติความชุ่มชื้นของมันธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้แหละ ทางพ่อตากขาบอกว่าธรรมชาติอะไรเขาหวานลงในดินแล้วเขารดน้ําทุกวันทุกวันน่ะเออมันจะค่อยงอกเกิดขึ้นมาได้ยีงข้อง อ, งอกเงยได้เออทางจานบวกอนนั้นก็ใช่ก็มีส่วนอแต่ว่าจะเป็นลดน้ําทุกวันทุกวันมันจะเงือกงอกเงยขึ้นไปน่นบางสิง่งบางอย่างก็เป็นไปไม่ได้อย่างหัวร้านพ่อตาเหมือนกันเห็นไหม ผมมันล่วงรดน้ําทุกวันไม่เห็นมันเกิดเอาเอาหัวล้านพ่อตามาเล่นบ้เนีเห็นไหมหัวล้านพ่อตาน่ยลดรดน้ําทุกวันไม่เห็นมันเกิดโอ้โหพ่อตาได้ยินคำนี้โมโหจุดๆเลยกันเออบอกว่าเอาหัวล้านพ่อตามาเล่นบ้านไอ้ลูกเขยก็โกรธพ่แรงเนะมันเห็นข่าวว่าพ่อตาถามกระจิกจอกจอกะ จ, จ, จิกจอกจอกมันโมโหจังเลยใจ พอถามมาแบบนี้ลูกเคยก็ตอบมัดเข้าไปพ่อตาข ง, งายเป็นคนละทิศละทางนั้นจากนั้นมากันเลยไม่พูดกันมากันเลยกลับมาถึงบ้านพ่อกลับมาถึงบ้านผู้ใหญ่บุญมีก็เลยบอกกับนางบุญมาว่าแม่เมียผู้ใหญ่บ้านแม่บ้านโอ้ลูกเคยสองคนลูกเขยจานเป็นที่หนึ่งเลยเงินลูกเคยจานมันพูดอะไรมีชิกแซกดีดาวกันมันมีแนวความคิด เพราะนั้นพวกเราควรจะเอาจานเะนี่ยแหะไว้ด้วยนะเนี่ยเอาเอาลูกเขยเอาทิตย์มันออกไปสร้างกออเอาลูกเขยทิตไปตั้งบ้านไปปลูกบ้านอะไรแต่ปิ๊กเพรนั่นปลูกออกนอกบ้านใช่เอาเขยจานได้อยู่ด้วยเนะนี่ยนี่แหละคนโบราณเขาเนะี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนะก่อนที่เขาจะเอาใครเข้ามาอยู่ใกลนะ้เนี่ยเขาก็ต้องดูซะก่อนเหมือนกันนะ่ะความรอบคอบเป็นยังไง เฉลียวฉลาดขนาดไหนเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจะเอาตัวรอดพาพ่อแม่ไปสู่ความรอดได้ไหมนี่คนเขาต้องคิดเมืงนนแต่นี่แหละคนโบราณเขาเขาคิดนะแต่ตอนนี้พวกเราพวกคณะสถ า, า ญ, ญาติโยกกับฟงจะยจะทราบเหมือนกันว่าเอ๊ะคนโบราณเขาเลือกแต่ลูกเขยหรือเปล่าลูกสะั้ยเขาเลือกไหมก็อีกตอนนี้น แต่คนโบราณเขาก็เลือกลูกสะภ้ยเหมือนกันนะเลือกลูกสะพ้ายมีผูเย็บบ้านอีกคนหนึ่งเหมือนกันมีลูกชายสองคนเหมือนกันแต่งานมาืน่อกาได้ลูกสะพ้ายเพราะได้ลูกสะพ้ยมาทั้งสองคนเนี่ยสองตา ย, ยายเอ๊ะเจ้าลูกคนไหนนาะมาอยู่ด้วยเทเองก็พาลูกสะพ้ยคนเล็กแม่ยา่าไปเดี๋ยวสีฉันจะทดสอบเองก็เลยพาลูกสะพ้ยคนเล็กไปหาเก็บเห็ดเหมือนกันแต่ ไปหาป่าพ่ออยู่ในป่าเนะี่ยไปหาเก็บหน่อไม้หน้อน้ําเก็บเห็ดเก็บผักหญ้ามาเพื่อทําเป็นอาหารแต่นี้แม่หญ้าก็พาไปไปชี้เอา้หเห็ดลูกเก็บพอเห็นกับไม่เก็บเดินไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรดอกหญ้าเดี๋ยวไปเอาให้มันใหญ่หญๆซะก่อนให้เห็นมากๆก่อนค่อยเอาทีเดียวเลยอันนี้มันน้อยตีละดอกสองดอกไม่ได้แม่หญาก็ไปเก็บมา เออเก็บพอที่เรดอกสองดอ ก, ดกไดนะ้ก็ไปอีกเอาหน้าลูกอะก็ไม่เอาเอีกลูกแม่ย่าก็เก็บ อ, อีกเออผัในิสุก็เลยมาพอมาถึงมันหาดอกกลุ่มใหญ่ไม่ได้ทีเทนี่เออผลในิสุก็เลยกลับมาถึงบ้านพอมือถึงบ้านแล้วแม่ย่าก็เลยบอกผัวทิ้เอา้าเอาไปล้างซะลูกแล้วเอามาแกงให้จากนั้นก็เลยมาแกงแกงเสร็จแล้วแม่ย่าก็เลยสอนาลูก การจะเก็บหอมลอมริบไม่ใช่ว่าเรารวยที่เดียวซะก่อนติดรางวันที่หนึ่งซะก่อนเราจรึงจะเก็บเงินไม่ใช่นะ เ, เราต้องเก็บทีละนิดทีละน้อยทีละบาทสองบาทเดี๋ยวเมื่อก่อนพอกพูนขึ้นมาเองเดี๋ยวก็รวยขึ้นมาเองเพราะนั้นเราจะไปคิดว่ามันมีมากซะก่อนยังค่อยเก็บนะมันหามากไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเก็บทีล ะ, ละน้อยลราน้อยลูกคือแม่ยาก็สอนต่อมาเขาก็เอาลูกสะพ้ยคนโตไปเพราะลูกสะพ้ยคนโตไป โอนะลูก เ, เขาก็เก็บไปเรื่อยถึงลูกสไป้์ควรโตทั้งเก็บผักตีว้วผักนาำผักอะไรตัวเมียอะไรอย่างั้นแพอมาถึงบ้านเขาล้าง เ, เสร็จแล้วก็ทําแกงแม่ยา่าเออลูกสไปร์สองคนเลูกสไปร์ใหญ่เออรู้สึกรอบคอบดีกว่าเพราะนั้นพวกเราควรจะเอาลูกสไปร์ใหญ่มาเลี้ยงเราเอันนี้เราคนโบรานเขารู้จักเลือกนะ เ, เพราะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะว่าไปแล้วมันก็คือธรรมชาติอย่างที่หลว ง, งพ่อแดเรียนให้ทราบก็คือนิทานของคนโบราณนี่แหละคือให้มองอะไรให้มองเป็นธรรมชาตเิเราจะให้ฝืนธรรมชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรรู้ทำที่โคลนต้นโพนพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรรู้ว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมันไหลไปตามธรรมชาติมันไหลลงไปทางต่ํา แต่ธรรมะที่เราได้เนี่ยมันฝืนฝืนธรรมชาติเอราจะไปเราจะไปสอนเขาได้อย่างไรถ้าขอสอนเขาเราคงคงจะเหนื่อยเปล่าเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงท้อพระทัยในการที่จะแสดงธรรมโปรดโลกในยุคสมัยนั้นจึงมีพรมกระกาศประกาพระาละนาพรมมาจริญโกกาิปฏิสหัมปติพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ ร, รับอัาธนาพรมท่านบอกว่ามนุษย์ของเราเนี่ย มันต้องฝืนเออต้องฝืนจะไปคิดตามใจชอบไม่ได้เหมือนกับน้ํามันชอบไหลลงทางต่ำแต่เราจะจะใช้น้ำเนี่ยเราต้องดันขึ้นไปเก็บไว้ในถังในการดันน้ําขึ้นในถังเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะแต่ว่าเราเปิดออกมาจากถังเนี่ยอันนั้นใช้ประโยชน์เกิดเกิดประโยชน์มีความสุขเงินสำหรับเราอันนี้ก็เหมือนกันใจของเราเนี่จะปล่อยตามใจของเราคิดอยากจะคิดคิดตามมันเพอใจ ทำตามอาเภอใจพูดตามอำเภอใจใจอยากจะทำยังไงทําอย่างที่อยากจะทําโดยมากมันจะไปทางต่ำมันจะมันจะไปทางกิเลสราคะผังโทสะโมหะบั้งโลภโกรดหลงว่างั้นเถะเพราะใจมันเคยไหลไปทางต่ำแต่ทีนี้เราฝืน เ, เราสู้มันฝืนว่างั้นเถอะฝืนคล้ายๆกันว่าเ อ, อใจเอ้ยอย่าไปหลงร่างกายนะร่างกายนี่ถึงจะเลี้ยง อิมีผีมันเตี้ยงดิบดีขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเมื่อตายไปแล้วก่อนเนนะี่ะไปทิ้งไว้ในป่าช้านั่นแหละกระดูกเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างขนาดร่างกายของเรายังไม่เอาไปด้วยไม่ได้เออไม่ต้องพูดถึงยศถาบรรดาศักสสามีภรรยาลูกหลานเงินคำทรัพย์สมบัติเลือกสวนไรนาเออต้องทิ้งทั้งหมดเนี่ยมเอาไปด้วยจบุญกับบาปเท่านั้นะ ในหลักของพุทธศาสนาวอกตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดมีทบุญกระป๋าที่จะพานำไปสู่สุคติได้เพราะนั้นท่านว่าต้องฝืนจุดนี้ให้พิจารณาตามความเป็นจริงร่างกายสังขารนี่ไม่ใช่ตัวของเรานอะอีกสักวันจะต้องทิ้งพระเจ้าจากักรพรรดิระดับเศรษฐียาจกวนิพกสมณะชีพราหมณ์ต้องทิ้งด้วยกันนะ อย่างหลวงพ่อเนี่เหมือนกันอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อก็จะต้องทิ้งจีวรทิ้งบาทเหมือนกันเมื่อนั้นเถอทิ้งกระทั่งร่างกายตัวเองอีกต่างหากเพราะฉนั้นเราต้องคิดเอาไว้ไม่ว่าใครๆต้องทิ้งทั้งหมดเชาวไล่ชาวนาก็จะต้องทิ้งแอกคันไถจากนั้นก็เดินไปด้วยกันเสมอกันคือความตายไม่มีใครที่จะเหนือกว่าเหนือกว่ากันได้เรื่องความตายเสมอภาคกัน เพราะนั้นพระพุทธา้าท่านว่าให้พิจารณาให้คิดไว้อยู่เสมอนะความตายเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะแต่ว่ากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้ น, ย, น, ย, นย้อนเผย้อมเผาผลาญให้โทษให้ทุกเมื่อภายหลังพระพุทธา้าท่านตรัสเช่นนั้นนะทีนี้มาพูดถึงพระไตรปิฎกเองพระไตรปิฎกคือในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธจ้า สมัยนะั้นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นะนิทานข่าวก่อนลูกเขยกับพ่อตาอันนั้นนิทานปลําปลานะนิทานพื้นบ้านแต่เป็นแนวความคิดนะให้คิดว่าเป็นธรรมชาตินะแต่อันนี้เป็นนิทานหรือว่าเป็นมาในพระไตรปิฎกเนี่ย <c oughs> พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤหนะ์พระพุทธพโมคคลาเสด็จพระโมคะลาอยู่ที่ขึ้นไปภาวนาอยู่ที่เขาคิดสกูลนะพวกเราคงไปกรุงราชคฤห์คงจะเห็น คงจะเห็นออเองภูเขากิจกูดพระโมคคลาขึ้นไปภาวนาตอนกลางๆตอนเย็นนะแล้วก็ตอนเช้าท่านก็ลงมากับสหธรรมิกของท่านคือพระลักษณะชื่อพระลักษณะเดินตามหลังมาพอเดินลงมาพระโมกคลาเห็นเห็นสิส่งที่พระพระลักษณะไม่เห็นเท่านั้นเอ่พโมคคลาเห็นแต่พระลักษณะที่อยู่ทางหลังที่ไม่เห็นเอ่คือเป็นของลึกลับเท่านั้ คือเป็นเปลกพระโมคคลาเห็นเปลกเห็นเปลของเอที่อยู่ที่ตีนเขาขี้จกูดพระโมคคลาก็เลยยิ้มลักษณะก็เลยะว่าท่านพระโมคคลาครับท่านยิ้มท่านยิ้มว่เหตุอะไรหนอะครับพระโมคคลาบอกว่าเมื่อไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าซะก่อนอย่าค่อยถามผมนะเดี๋ยวนี้มันยังไม่ใช่โอกาสที่ผมจะบอกให้ท่านแต่เมื่อไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าซะก่อน ต่อหน้าพระพุทธองค์สัก่อนให้ท่านถามผมผมจะบอกให้ท่านทราบเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมยิ้มนะครับจากนั้นก็เข้าไปวิญญาบดในกรุงราชคือเนีสององค์จากนั้นก็ไปฉันยังหันเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าตอนฉันยังหันเสร็จอย่างนี้แหละเนี่ยพระโมคพระโมกขลากับพระลักษณะกับพระสิจูสงหลายองค์ก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพระลักษณะก็เลยถามขึ้นว่าท่านพระอาจารย์ครับพระโมคคลาครับที่ท่านยิ้ม ที่ตีนเขาคิจกูดนั่นน่ะท่านบอกว่าในเมื่อมาถึงพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพุทธองค์ซะก่อนจะค่อยถามผมนะแต่บัดนี้ท่านมานั่งอยู่ตรงพระพักพระพุทธจ้าแล้วผมขอถามที่ท่านยิ้มมือเช้าเนี่ยตัวเหตุอันไหนครับพระโมคคัลลาบอกว่าครับที่ผมยิ้มมือเช้าเนี่ยก็เลยขอโอกาสพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ฆ่าพระองค์ลงมาจากตีนเขาคิจกูดเห็นเปลืตัวหนึ่ง เห็นเปรตตัวหนึ่งยาวเหมือนกับงูเหมือนกับงูบงยาวมากแล้วก็มีไฟไหมจากสีรัะลงไปถึงหางแล้วก็ไหมจากหางขึ้นมาถึงศีสะแล้วก็ไหมจากสีรษะไหมจากหางมาชนกันตรงกลางแล้วก็ถอยไปคนละข้างแล้วก็ไหมเข้ามามาเจอกันแล้วก็ไหมต่อคือเปรตตัวนี้นะ่ะเป็นเปรตงูนะ่ ไฟไหม้ลุกอยู่ตลอดเมันก็มีความทุกข์อยู่ตลอดนี่แหละบาปบาปกรรมของเปรตที่ได้ทำกรรมไว้ในอดีตเพราะพระธอองค์บอกว่าโมกคลาเมื่อเราได้ตัดสู้ที่โคนตน้นโพน่ะเราเห็นแล้วเนีเปรตตัวนี้นะ่ะเราเห็นหมดเนีเพราะเพราะเขามีเขาทบาปกรรมไว้ในอดีตนะโมกคลาพระสงฆ์ทางหลายก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า เขาทําบาปกรรมอันไหนไว้หนอพระพุทธเจ้าค่ะเขาจึงได้รับเกรตตัวนี้จึงได้รับบาปกรรมอย่างนี้พระพุทธองค์บอกว่าในอดีตชาติอดีตการ ล, ล่วงนานมาแล้วสมัยนั้นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกชื่อว่าพระพุทธเจ้เากัจจปะกัจจปะพุทธเจ้าคือในพัตตกับนี้มีพระพุทธเจ้เาห้าพระองค์กัคกุสันโธโกณคมโนกัจสโป โคตโมอริยะเมตโยอริยะเมตโยคือภระศีอ่านโคตโมนคือเราสถาคพพระกัจจโพนคือพระพุทธเจ้ากัจจปะพระพุทธเจ้ากัจจป่านี่อุบัติขึ้นในโลกอายุยืนสืองส0 0 0มปีอายุของพระพุทธเจ้ากัจจป่าแต่มีพระพุทธเจ้ากัจจป่าขั้นก็นมีวัดมีเศรษฐีสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าชื่อสุมาณะเศรษฐี สุมาณเศรษฐนสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้ากัจฉปังแต่ท่านก็ไปทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเที่ยงท่านรักวัดท่านมากว่างั้นเด็คือทําบุญเสร็จแล้วก็สร้างวัดสร้างศาลาสร้างคุติเออท่านก็ดูแลอยู่ตลอดนี่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่แต่ตอนเช้าวันหนึ่งท่านเสด็จเสรษฐีนท่านไปแต่เช้ามืดว่ะมาณน่ะไปตรวจตาดูวัดของท่านว่าขาดเหลืออะไร ถนนโหนทางน้ํากัดซาะ อ, อย่างไงกุฏิมันรั่วแตกซึมอย่างไงแต่ท่านจะไปเห็นด้วยตาของท่านเองเนาะงั้นเดี๋ยวท่านจะไม่จะท่านจะไม่ให้ใครส่วนคนอื่นก็ไปดูด้วยแต่ท่านต้องไปดูด้วยสายตาของท่านเพราะท่านรักวัดของท่านเพราะพระพดเดชจ้าก็เสด็จประทับอยู่ที่นั่นแต่วันนั้นนะ่ะตอนเช้าน่ะท่านก็เดินรอบวัดไปเห็นชายคนหนึ่งไอคนชายค น, นไปหาขโมยของคนอื่นมาแล้วงั้นเถอะไปจ้องเบาไปหาขโมย แต่ในชายคนนั้นอ่ะมานอนอยู่ที่สลาสลาสลาพักคนเหมือนกันแต่สลาพักคนมาพักมาวัดนะจากนะ้นพอเขานอนเขาตีนเ้าโผล่ออกมาข้างนอกแต่ตีนเขาไม่มีเ่เต็มไปด้วยขี้โคลนเหมือนกันเนี่อขี้โคลนขี้ต้มนะ่ะแล้วก็หัวของเขาก็ก็ปิดผ้าเอาผ้าผมปิดทั้งตัวแต่ตีนเขาโผล่เพราะมันเป็นมันเป็นมันมันเป็นขี้ตม้มขี้โคลนเหมือนกันเนี่ะกัวผ้าปิดเขาก็ปิดหน้า เศรษฐีเจ้าของวัดเนะี่ยเดินเดินรอบวัดเสร็จแล้วก็มาเห็นชายคนนึ่ง น, นอนเนะี่ยก็เลยบอกกับพวกบริวารของตัวเองที่เดินตามหลังมาเอเอไอ้เนี่ยคนคนนี้นะดูดูแล้วเหมือนกับคนขโมยนะวะเนี่มันหากินกลางคืนนะั่นแหลมันเหมือนขโมยนะไอน้นี่นะมันตามไม่เจ็บกับขโมยจริงๆนะ่อว่า ง, งั้ น, นไปหาคดขโมยไปหาหาขโมยของคนอื่นเขาเนี ขโมยนายในดูเราดูแล้วนะแต่ทางลูกน้องเศรษฐีก็ดูดูแล้วก็เดินผ่านไปแต่ไอ้ขโมยคนนั้นะมันได้ยินนี่เถเนี่ยมันโมโหให้เศรษฐีแบบงัน้นเถอะผู้มาพูดให้เราได้ยังไงมันดูถูกเราดีนะแต่ตามมจริงมันไม่ดูผิดจริงๆมันดูถูกจริงๆแบบนั้นเถอะเลยเศรษฐีนั่นดูถูกจริง ๆ, มงๆไม่ไม่ผิดแบบนั้นว่าเป็นขโมยเป็นขโมยจริงๆเหมือน จากนั้นก็เดินผ่านไปแต่ว่าตัวขโมยน่ยพูด เ, เจ็บใจวเนี่ยเอาเถอะข้าได้โอกาสเมื่อไรข้าจะจองเวรกับเศรษฐีคนนี้จากนั้นมาชายหนุ่มคนนี้ชายชายโจรคนนี้น่ะก็เลยผูกพยาบาทอาฆาตกับเศรษฐีไปเอาไฟไปเผาที่นาเศรษฐีไปเผาเถียงไรเถียงนาของเศรษฐี ไปตัดขาวัวควายของเศรษฐีไปเผาบ้านที่อยู่ห่างไกลที่บ้านพักตากอากาศของเศรษฐีพราะในสุดเผายัางไงเศรษฐีก็ยังก็ยังไม่มีอะไรอไม่ได้เลยต้องฆ่าเศรษฐีเท่านั้นแหะมันจึงจะหนำใจไอ้ไอ้ชายโจรคนนั้นอ่ะจากนั้นก็ต้องฆ่าต้องต้องเผาวัดเศรษฐีไงเพราะเศรษฐีไปวัดผุ้วันมันคงจะรักวัดของมันต้องไปเผาวัด จากนั้นก็ไปเผาวัดเพราะพุทธเจ้ากัจสป่าเนี่ยไปเผาวัดเหมือนกันเผาวัดก็ไฟไหม้วัดเศรษฐีมาเห็นทั้งที่เศรษฐีจะเสียใจนะเสียเสียโอ้โหดีอกดีใจไฟไหม้วัดเหมือนกันเพราะว่าจะได้ทําบุญอีกครั้งหนึ่งเขาให้ใจก่อเก่าอ่าเนี่ยนะคนที่จิตใจเป็นกุศลไปอย่างนั้นนะไม่เสียใจน ะ, ะถ้ามันเผาแล้วก็เผาไปแต่ข่าจะต้องสร้างให้ใหญ่กว่านั้นอีกให้ดีกว่าเก่า เพราะข่าวที่แล้วเน่ะมันยังไม่เต็มใจเราข่าวนี้ทําให้ให้เต็มใจเลยพอในส่วนเศรษฐีเลยมาสร้างศาลาสร้างศาลาสร้างที่พักหรูร่ากว่าเก่าแต่ในเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เศรษฐีก็เอาประกาศฉลองในฉลองวัดที่พระพุทธเจ้ากัสสะปะแต่ไอชายหนุ่มคนนั้นชายโจรคนนั้นโอ้ไม่ได้หรอกเราคิดว่าเผาวัดให้มันหนําใจมันก็ยังดีใจอีกต้องฆ่ามันอย่างเดียวเท่านั้นแ่ะ มันจริงจะจบเหมือ น, นจากนั้นก็ไอ้ชายหนุ่มคนนั้นก็พอวันฉลองเมื่อฉลองไอ้ฉลองวัดวันนั้นอะ่ะเสถีทั้งของง่วนสุมาณะเศรษฐีทั้งท่ของง่วนทําการทํางานเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยงพระเลี้ยงสงฆ์ถวายจตุปัจจัยทตยทานก็ว่าทำอย่างเต็มที่เหมือนกันเถะจนไม่ไม่มีเวลาที่จะแต่ไอ้ชายหนุ่มคนนี้ก็เอาเน็บมีดเข้าไปในพกเหมือนกันเะ ถ้าเมื่อมีเวลาเมื่อไหรเราก็จะจ้วงให้มันตายแล้วจะวิ่งหนีอะไรวบบนั้นเถอะจะฆ่าเศรษฐีแบบนั้นเถอะแต่นี่นก็เศรษฐีเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสก็คงบุญบุญของเศรษฐีก็คงจะมีนั่นแหะคุ้มครองแต่ใ น, นชายหนุ่มคนนั้นหาจังหวะไม่ได้จากนั้นก็พอตอนเช้าวันเจ็ดวันแล้วเนี่ยทําบุญเจ็ดวันครบแล้วเนียพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์นั่งที่บนศาลาแล้วสุมาณเศรษฐีก็เลยกล่าวคําถวายศาลา พอการทาถวายสล า, าเสร็จแล้วพระ ส, สงฆ์พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเนี่ยเพราะอนุโมทนาให้พรในสุมาณะเศรษฐีก็เลยกล่าวขึ้นในที่ไปชุมว่าเนี่ยด้วยบุญด้วยกุศลที่เข้าไปเจ้าได้สร้างสลาในครั้งนี้ได้สร้างกุฏิที่พระ ส, สง์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ด้วยบุญกุศลในครั้งนี้หรือครั้งก่อนที่ข้าพเจ้าสร้างในสร้างมาในครั้งก่อนมาถึงครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยข้าพเจ้าขอเออนอมหรือขอมอบให้แก่ผู้ที่มาเบียดเบียนข้าพเจ้าผูกอาฆาตกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดว่าเป็นคนคนเดียวมาทํากับข้าพเจ้าเนี่ยทั้งเผาที่ไร่ที่นาทั้งตัดขาวัวขาควายของข้าพเจ้า ทั้งเผาบ้านพักของข้าพเจ้าจนถึงมาเผาวัดในคราวนี้คงเป็นบุคคลคนเดียวกันเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําทั้งหลายทั้งปวงนี่ขอให้เขาได้รับก่อนข้าพเจ้าจะรับต่อที่ต่อจากเขาเมื่อภายหลังคล้ายว่าเศรษฐีเอาให้บุญให้เขาก่อนตัวเองจึงจะรับเป็นผู้รองเามือนกันแต่ชายหนุ่มคนนั้นนะพ่อได้ยินเท่านั้นแหละโอ้โห เราคิดว่าจะฆ่าเศรษฐีเขาเขาก็ให้บุญเราก่อนอีกต่างหากถ้าเราฆ่าบุคคลเช่นนี้เข้าไปเราไม่เป็นมนุษย์เจแล้วเอซ้อำนึกผิดเท่นี่ใชายหนุ่มคนนะั้นส้ำนึกผิดพอส้ำนึกผิดขึ้นมากันเข้าไปหมอบกราบลงกับเท้าเศรษฐีเนี่ยอท่านเศรษฐีครับผมขอสารภาพบาปผมขอสารภาพความผิดครับเศรษฐีก็งงอ่อเรื่องอะไรค่อที่ท่านเศรษฐี เห็นผมในวันนั้นน่ะที่ผมนอนเตีนของผมโผล่มาท่านบัตรนี่เป็นเป็นเป็นคนเป็นโจร น, นะเออท่านเจตถีก็ได้พูดไป เ, เดินผ่านไปนั่นแหะตั้งแต่บัดนั้นมาผมเจ็บใจอย่างมากเลยผมก็เลยได้เผาที่ไล่ที่นานได้ตัดขาบัวควายของท่านอย่างที่ท่านพูดไม่ผิดทุกอย่างที่ผมทําเพราะบัตรนี้ผมเห็นโทษแล้วท่านยังทําบุญจะท่านยังให้กุศลแก่ผมอีกต่างหาก ผมขอสารภาพผิดครับผมขอมอบตัวเองครอบครัวของผมทั้งหมดให้แกท่านเศรษฐีท่านจะรับใช้อะไรผมยินดีรับใช้ทั้งหมดเน่ยจะเป็นคนดีเกับท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีต้องการอะไรจะให้รับใช้ผมะผมขอมอบเป็ น, าน้าสทาสรับใช้ท่านเศรษฐีก็เลยอึง้งเหมือนกันนะเศรษแี้รบอกอแต่ขนาดเราพูดเพียงแค่นั้นนะ่ะ มันยังพูกพยาบาทอาฆาตขนาดนี้ถ้าต่อไปภายภาคหน้าถ้ามันโกรธขึ้นมาอีกถ้ามันเป็นลูกน้องเรานะมันจะเล่นงานหนักขนาดไหนเนะี่ยไม่เอาแล้ววะเจตีเออไม่เป็นไรละขอบใจขอบใจขอบใจนะและก็พร้อมกันผมก็ต้องขออาภัยนะที่ผมพูดไปวันนะั้นผมก็ไม่ได้คิดผมขออาภาัยอย่างมากที่เป็นความผิดของผมเหมือนกันที่ผมได้ได้พูดไปทําให้คุณเก็บใจถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องรา่าทั้งหลาย พอให้ระงับกันไปก่อนนะผมยินดีให้อภัยแต่เรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็ให้หยุดกันแต่ให้ท่านมาอยู่มาอยู่กับผมน่ยผมไม่ละเพราะบริวารของผมลูกน้องของผมก็มีมากอยู่แล้วเนีผมไม่รับลนะนะ เ, เอาไปผมไม่เอาโทษกรมอะไรกับท่านละไม่เอาโทษอะไรทั้งหมดนะแปลว่าเกมกันจบกันทนะ่านเราเนาะท่านก็ให้อภัยผมผมก็ยินดีให้อภัยไม่มีอะไรการท่านนะเรานะจากท่านก็นเลยเลิกลากัน แต่ว่ากลัมที่ตัวเองได้เผาวัดพระพุทธเจ้านะ่ยตัวนี้แหละมันหนักมากเลยว่างั้นเถอะพอตายจากนั้นลงไปก็ไปสู่อเวจีมหานรกนะอพอพ้นจากเป็นชัตรนรกขึ้นมาก็มาเกิดเป็นเปลตงูนะไฟก็ไหม้ทั้งหัวทึงตีนไหม้ทั้งหัวถึงหางไหม้ทั้งหางถึงหัวลุกลามจากตรงกลางมาหาหัวหาหางนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าอัคตังทุกตังเซยโย ช, ชาติตปติทุกตังกัมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรัมชั่วนั้นให้ผลให้โทษเมื่อภายหลังแต่เมื่อทำเนี่ยเราก็ฉะใจทํานีแต่ว่าเมื่อผลกลับมให้ผลนั้นวิญญาณดวงนั้นใจดวงนั้นจะร้องโหม่มร้องให้เหมือนกับเปลตงูนั่นแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราท่านทั้งหลาย อยาจะทําสิ่งไหนก็ตามให้คิดให้รอบคอบคิดให้ดีทําให้ดีพูดให้ดีสิ่งไหนที่มันเป็นที่ชั่วช้าเสียหายแล้วอย่าคิดอย่าทําอย่าพูด น, นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายนะเป็นลูกศิษย์ขององค์ลงตานะลงตาพัฒน์สอนทั้งวี่ทั้งวันอย่างพวกเราเปิดเทปเปิดซีดีฟังซีอ่านหนังสือที่ลงตาทำบันทิกของลงตาด้วยสิลงตาสอนอะไรบ้างในสิ่งเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่สอนแต่สิ่งที่ดีทางนั้นให้มีความรักสา ม, มัคคีการให้รักกันให้มองกันในแง่เหตุแง่ผล อ, อ, อย่าทําใจร้อน อ, อ, อยจะเห็นแก่ตัวให้สงเคราะห์อนุเคราะห์กัน อ, อ, อย่างลวงตายท่านบอกว่าตัวของท่านเองทําอะไรลงไปไม่ได้ทําเพื่ออย่าด้วยเมตตาจิตเมตตาเป็นหลักในใจของเราไม่มีอะไรไมีแต่เมตตาเพราะฉะนั้นขอให้พวก เราเป็นลูกหลานของหลวงตานี่ยเดินตามหลังหลวงตาน่ะเอออย่างลบข์เนี่ยนะหลวงพ่อบางคนบอกหลวงพ่ออินวัดลอยหลวงตาไม่ใช่หลวงตาหลวงพ่อเนี่ยวิ่งตามหลวงตาแต่หลวงตาเนี่ยเหมือนม้าอาชนายนี่ะวิ่งชิวเลยแต่ลงพ่อเหมือนเป็ดเนาะต้องพยายามวิ่งตามเหมือนกันเถอะเออวิ่งตามเหมือนกับวิ่งตามม้าอาชนายเหมือนกันเถอะแต่พยายามวิ่งตามพราเห็นว่าหลวงตาเนี่ยทำฝุกนเออทำฝุกน่ะ อย่างที่วันที่สิบห้าวันที่สิบสีที่จะถึงเนี่ยวันที่สิบสีที่จะถึงเนี่ยทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรเขาไปหาหลวงพ่อเขาบอกว่าเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดหัวใจในโรงพยาบาลศูนย์ยไม่มีนี่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วไม่มีเอขอหลวงพ่อพอจะเป็นหลักให้ได้ไหมเออเอา เ, เป็นหลักก็เป็นหลักหลวงพ่อเลยร ว, วบรวมคณะคหบดีของเมืองอุดรนี่เป็นเท่าไรหร่ครบค่าบอดีรวมๆกัน ว่าเครื่องมือตัวนี้เครื่องมือผ่าตัดบายพาสหัวใจเนี่ยเครื่องผ่าตัดหัวใจเนี่ยล้านสี่เครื่องถ่างหัวใจเวลาผ่าเสร็จแล้วถ่างหัวใจเนี่ยห0 0แสนเลิกเครื่องช่วยหายใจเวลาผ่าตัดแล้วบาคนผ่าตัดแล้วเขาจะต้องบีบอย่างนี้เพรว่าเครื่องช่วยหายใจแต่ตอนนี้มันมีเครื่องหายใจใหม่พอใส่เขาใส่เครื่องเข้าไปเข็นไปเลยมันต้องใช้เครื่องตัวนี้ส่งไปถึงห้องไอซีย แล้วก็ปอดหัวใจเทียมปอดหัวใจเทียมเวลาผ่าแล้วคนมันชอ็อกหัวใจอยู่เต้นเขาจะเอาเครื่องหัวใจเทียมตัวนี้เข้าไปช่วยเลือดมันจะได้วิ่งไปเลี้ยงสมองเลี้ยงร่างกายตัวนี้สล้านสามล้านสามแสนไหลวงพอ่อเออเอาเป็นหลักได้เพราะนั้นวันที่14ที่จะถึงนี่แหละจะได้มอบเครื่องมือตัวนี้นะ่ยรวมแล้วคือ5้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่ให้แก่โรงพยาบาลสุอุดรนเนะพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ย หลวงตาทำอะไรหลวงพ่อคิดว่ามีเหตุมือผลที่ท่านสงเคราะห์นุเคราะห์แต่หลวงพ่อหลวงตาเนี่ยเป็นม้าอาชนไนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็ดนะก็พยายามว่าหลวงตาเนี่ยทำถูกสงเคราะห์โลกเนี่ยนะนะแต่ทางนี้ทางนั้นจะตุปใจัยพอไหมตุปใจัยอันนี้มาจากไหนไม่ใช่เงินหลวงตาติกสงอาพาธไม่ใช่นะเออเป็นทุนอีกออของคณะสัทธาญาติโจมอีกออที่ทําเพื่อประโยชน์ เพื่อประเทศชาตินะไม่แตะของหลวงตาที่ว่าที่หลวงพ่อพูดวันก่อนว่ายังเหลือเงินอยู่62ล้านยังไม่ถึง500รอล้านนะเพราะนั้นท่านผู้ใดอยากจะให้มันครบ500้ล้านของหลวงตาก็รวมๆกันก็ดีเหมือนกันนะให้มันจบๆไปให้มันถูกให้มันถึงวัตถุประสงค์ของหลวงตาที่ว่า500ล้านแต่นี่400กว่าล้านแล้ว แต่ถามเมื่อวานในโรงพยาบาลตึกสงอาพาทของหลวงตาเนี่ยจะเสร็จได้ไหมทางผ อ, อเขาบอกว่าประมาณเดือนมีนาคงจะเสร็จทุกอย่างเดี๋ยวนี้กับยังปรับปรุงที่ยังขาดเหลือขาดตกอยู่คิดว่าเดือนมีนาคิดว่าทุกอย่างก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยตึกสิบชั้นของหลวงตาที่พวกเรารวบรวมกันเนมื่อกี้ก็ได้อ่านว่าตึกสงอาพาทของเมืองอุดรเพราะฉะนั้นขอให้คณะสัาญญาตยาธิยมลูกหลานทุกคนเนาะ สรุปแล้วก็คือให้ช่วยๆกันเดินตามแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาสิ่งไหนที่มันชั่วอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดนะในสิ่งที่มันจะทําให้โดนคนอื่นเดือดร้อนนะไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเราคนนะรู้แก้ใจว่าเราคิดดีหรือเปล่าเราทําดีหรือเปล่าเราพูดดีหรือเปล่าแต่บางคนไม่รู้ว่าเราอิจช้าพยาบาทคนอื่นเขาแต่เราเราน่ยเต็มใจ เราอิจฉาพยาบาทอาฆาตคนอื่นเขาแปลว่าตัวเองรู้อว่ากรรมชั่วยจะทําทเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผผานให้โทษเมื่อภายหลังนไม่มีใครที่จะรับโทษตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้รับนะเยเพราะนั้นท่านองค์หลวงตาเราจึงสอนอย่างสิ่งที่มันชั่วจะคิดอย่าพูดอย่าทำนะและก็พร้อมกันนี้ก็วันนี้ที่อาตมาภาพหรือหลวงพ่อได้พูดเนี่ยนะออก ให้แก่คณะสถานญ า, า, า, าโยมบริเวณสาลานี่ฟังนะแต่ทังสถานีวิทยุเนี่ยจะอัดหรือจะถ่ายทอดหลวงพ่อไม่สงวนลิขสิทธิ์ทั้งนั้นจะตัดก็ได้และจะเอาลงก็ได้หลวงพ่อไม่ว่าเพราะหลวงพ่อพูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงหลวงพ่อได้เคยพูดมาหลายครั้งขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคณะสิทธิ์ทั้งหลายทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลทุกท่าน ที่เป็นสิทธิอนุสิทธิ์ขององค์หลวงตาขอให้ตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลที่พวกเราได้ทำในอดีตชาติก็ดีจนถึงปัจจุบันชาตินี้ก็ดีมากน้อยก็ขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนสุขภาพหลวงตาขอให้หายจากโรคาพระญาติขอให้เป็นร่มโพร่มไทรของพวกเรา นานเท่านานด้วยเธอ